ความคิดคือหยุดสังสารวัตรอาภาสโรพิกุวันนี้เรามีของดีมาฝากเพื่อนของเรา เนื่องด้วยเราได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์มนตรีที่วัดป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ได้ของดีจากพระอาจารย์มนตรีหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่าหลวงพ่อมนตรีนะคะมาฝากเพื่อนของเราค่ะปะกติแล้วถ้าไปกราบพระครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะของดีที่ผู้คนอยากจะได้จากพระครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรคะ ก็จงจะเป็นเครื่องรางของขลังเป็นพระเครื่องตะกรุดยันแล้วก็หวยที่ขายไปได้คือลอตเตอรี่นี่แหละต้องการพยายามที่จะมองท่านให้ท่านพูดเผลอเป็นเลขอะไรออกมาแล้วก็เอาเลขนั้นแหละไปตีความแล้วก็ไปสลับหน้าสลับหลังเปลี่ยนที่กันแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไม่ถูก ถูกก็มีอาจารย์ถูกก็มีแต่ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะคะแต่ของดีที่พวกเราชาวชมรมเพื่อนคุณธรรมจะนำมาฝากเพื่อนของเราวันนี้ไม่ใช่เป็นทั้งหมดที่อาจารย์กล่าวมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นนะคะคแต่คือข้อคิดข้อธรรมอันเป็นประโยชน์อย่างแรกเลยก่อนที่ท่านจะได้เทศธรรมสอนญาติธรรมที่ไปกราบตอนเช้านะคะ เหมือนอย่างทุกวันที่ท่านเปิดโอกาสให้ญาติธรรมเข้าไปกราบไหว้เราก็ได้พบข้อความติดไว้ที่กระจกตรงใกล้ๆบริเวณที่ท่านจะนั่งฉันน่ะนะคะครับข้อความนั้นก็ดังที่นำมากล่าวในตอนเข้ารายการที่ว่าหยุดความคิดคือหยุดสังสารวัตรตรงนี้นะคะอาจารย์คะ่ะหลายคนอ่านแล้วก็ยังชงนเอ หยุดความคิดหยุดยังไงเรายังต้องทามาหากินอยู่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่จะไม่ให้คิดเลยกระนั้นหรือจะทำได้ยังไงแล้วถ้าหยุดความคิดจริงจะหยุดสังสารวัตได้ยังไงจะเป็นไปได้หรอือยังมีตอนต่อที่ต้องให้อาจารย์วิสัชนาละคะครับอันนี้หยุดความคิดคือการหยุดสังสารวัตอันนี้เป็นธรรมชชั้นสูงถ้าเรา ทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็แล้วก็มีสิทธิที่จะบรรลุ ธ, ธรรมเบื้องสูงเลยก็ได้ก็อื่นต้องเข้าใจคําว่าสังสารวัตรก่อนสังสารวัตเนี่ยคือการเรียนไหวาตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ในกามภูมิเช่นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดร้ยงชานแล้วก็เป็นเทวดาเนี่ยถือว่าเป็นกามภูมิก็มี รูปประภูมิคือเป็นพรมและก็นิพานคือการมาพบรูปประภูกับอรูปประภูนิพานิพนธ์ไปละนิพนไปละเนี่ยคือเรื่องของการมาพบรูปประภูคือพรมที่อาศัยรูปเป็นอารมณ์และอรูปประภูคือพรมที่ไม่มีรูปเอาความว่างเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยคือต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในการมาพบรูปประภูอรูปประภูอันนี้คือเรียกว่าสังสารวัตรการเวียนไหวตายเกิด สรุปลงที่ว่าการมีตัวตนไปเกิดในภพภูมิต่างๆทีนี้การเวียนว่ายแต่เกิดแต่ละครั้งเนี่ยคือมีการเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีการตายใช่ไหมถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายเช่น<ะ>เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายตายไปแล้วอาจจะเกิดไปเป็นสตัตว์เลร้ยงลนหรือไปเป็นเทวดาก็แล้วแต่บุญและแต่กรรมก็คือการมีตัวเราที่ต้องไปเกิดทีนี้ถ้ามีตัวเราไปเกิดเนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์ พระพุทธองค์ตรัสได้ว่าการเกิดทุกคราวเป็ น, ปนทุกข์กกไปเราต้องเป็นทุกข์ตรงนี้แหละและที่นี้ความคิดมันเป็นการปรุงแต่งความคือการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งไปทางกิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจปรุงแต่งเป็นตัวตนตัวเราของเราสังเกตดูทุกครั้งที่เรามีความคิดเราขาดสติขาดปัญญา เราจะยึดมั่นถึงมันว่าความคิดนี้เป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีเลยเมื่อมีตัวเราแล้วเนี่ยความเป็นเราขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเราดีเราเด่นเราสุขเราทุกข์ไอ้ความเป็นเราขึ้นมาเนี่ย เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เราก็ต้องแก่อยู่ดี <c oughs> ต้องเจ็ ต, ต้องตายนะความคิดเนี่ยนาเอาความปรุงแต่งที่ยึดมั่นถึงมันเป็นตัวเราขึ้นมาพอเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ตายเลยที่เขาบอกว่าอะไรในปฏิจจสมุปบาทถ้ากล่าวไปว่าอาวิชชา เป็นปัจัยเกิดสังขารเพราะไม่รู้หรือรู้ผิดเนี่ยจึงเกิดการปรุงแต่งอภิชาเป็นปัจัยเกิดสังขารไม่รู้จึงปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นวิญญาณเป็นนามเป็นรูปเป็นอายตนะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนเกิดมาเป็นพบเป็นภูมิของความเป็นเราขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมเพราะฉะื่องการปรุงแต่งเนี่ยก็คือความคิดที่ปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าเราหยุดระงับ ไอความคิดที่ปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราเสียได้เนะท่ากับเป็นการตัดสังสารวัตรการบิียนว่าแต่เกิดทั้งหมดเลยทีนี้ภาษาคนก็บอกว่าหยุดหยุดหรือห้ามเขาบอกหยุดหยุดดูไม่ถึงห้ามที่จะทําในสิ่งนั้นแต่ในภาษาธรรมคือว่าหยุดเนี่ยหมายถึงหยุดปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนของเราเราสามารถที่จะคิดได้ คิดได้แ น, น่นอนนะคะอันนี้ตอกยอ้ากันให้ชัดเจนเลยนะคะว่าหยุดความคิดไม่ได้แปลว่าห้ามคิดห้ามความคิดหรือว่าเออเอๆไปเลยนะคะหยุดความคิดได้หยุดความคิดที่ปรุงแต่งก็เป็นตัวเราสักหยุดเฉพาะความคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราของเราครับแต่ยังใช้ความคิดในการใช้ชีวิตตามปกติได้ครับไม่ว่าในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะอาจารย์ครับ เ, เพราะว่าเราสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งเป็นตัวตนได้แล้วก็ต้นตอของสังสารวัตเนี่ยมันก็จะจบลงตรงนั้นฉัน ข, ขอถามตรงนี้นิดนึงนะคะความคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนตัวเราของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้ความคิดของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เราสังเกตดูนะคิดขึ้นมาเนี่ยจะเกิดกิเลสเกิดความโลภอยากได้ อยากดีอยากมีอยากเป็นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเขาก็คิดกันตลอดเวลาทุกนาทีแล้วค่ะนั่นแหละครับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ ย, ช, ยชีวิตเป็นไปด้วยกิเลสทําอะไรก็เพื่อให้เกิดความอยากได้ให้อยากดีให้อยากมีอยากเป็นถ้าดูแลในทางโลกนี่ก็คือดีแต่ว่ามันก็มีตัวเราเป็นตัวที่ดีอยู่เป็นตัวเราอยากได้อยู่ความโลภมันทําให้เราเกิดความยึดมั่นถึงมั่นว่า เราต้องทำให้ได้ตอเอาให้ได้แม้สิ่ง น, นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ยังมีตัวเราเป็นตัวที่ดีอยู่ถ้ามีตัวเราขึ้นมาแล้วก็ดีก็เป็นทุกข์ได้เพราะความดีมันก็ไม่เที่ยงเช่นชัดเจนคือความโกรธถ้าคิดขึ้นมาแล้วเกิดความโกรธแล้วก็ทาตามความโกรธความโกรธก็เป็นตัวที่ทาให้เราเกิดการปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราถ้าไม่มีตัวเราเนี่ยมันไม่ต้องโกรธ คิดขึ้นมาแล้วมันโกรธแต่ว่ามีตัวเราเกิดความไม่พอใจอะไรขึ้นมาถ้ามีความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเป็นเราโกรธเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเกิดความยึดมั่นถึงมั่นในความโกรธว่าเป็นเราในกรณีกลับกันนะคะอาจารย์เราจะคิดยังไงคะถึงจะคิดแบบไม่ปรุงแต่งคิดอย่างมีสติคิดอย่างมีปัญญาเป็นการตัดโมหะความหลงออกไปเลยจะลองยกตัวอย่างให้ชัดๆได้ไหมคะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ อ, ะอ่ะ ใช่ไหมคทางโลกเนี่ยมันจะอยากได้อยากมีบ้านมีรถมีข้าวของที่ปรารถนาว่าจะมาบำรุงบำรเรออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแล้วเราก็จะมีความพยายามที่จะให้ได้มาไม่ว่าจะทางดีหรือทางดีน้อยนะคะทางดีก็อาจจะขยนันมันเพียนสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บสะสมเงินทองอีกทางหนึ่งก็อาจจะไปเบียดบังเบียดเบียนหรือว่าแย่งชิงคนอื่นมาเราจะทําไงคะถึงจะเป็นความคิดแบบไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่เป็นเวร <ใน S 1> เป็นภ<า>ยัยกับตัวเองด้วยนะคะ ก็คิดได้นะไอความอยากต่างๆเนี่ยทุกคนก็คิดแต่เมื่อมีการปรุงแตง่งว่าเป็นความอยากขึ้นมาคอยรู้เท่ว่านั่นะคือ <digging. S 2> จิตมันปรุงแต่งแล้วเอาอใครก็อยากมีบ้านซักหลังนึงเป็นของตัวเองอ่ะนี่เราอาจารย์ลองเล่าสิคะว่าวถ้าเราอยากจะมีบ้านซักหลังเป็นของตัวเองเนี่ยมัน เ, เป็นความคิดปรุงแต่งไหมคะก็แน่นอนอ้าว่าเราก็ไม่ต้องคิดจะมีบ้านเป็นของตัวเองอะไรคป็นความคิดแต่ว่าในความคิดนั้นถ้าเรามายึดมั่นถือมั่นว่าไอความคิดนี้เป็นเราเนี่ยค่ะ การปรุงแต่งเป็นตัวตนจะไม่เกิดขึ้นเลยอ๋อนี่เป็นเพียงความคิดเราสามารถที่จะทําตามความคิดก็ได้พอสมควรเพราะว่าปัจจัยสีเนี่ยทุกคนต้องมีไว้ที่อยู่อาศัยก็มีได้คิดได้แต่ว่าต้องรู้ว่าอันนี้คือความคิดลงแต่งนะเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาให้รู้ทันพอรู้ทันเนี่ยตัวตนในตัวนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเราสามารถทําตามความคิดก็ได้ไปซื้อบ้านไปปลูกบ้านแต่รู้จักกระบวนการที่เรากําลังทําอยู่ อย่างมีสติอย่างเช่นว่าเอาที่ว่าชัดเจนคือเราคิดจะทำความดีเนี่ยอย่างเช่นว่าเราจะถือศีลเราจะมีศีลห้าประจําจิตประจําใจอ๋อทําความดีแต่ว่าให้เราทําไปเถอะทําตามความคิดที่เป็นความดีแต่เราจะไปยึดติดว่าอ๋อนี่เราเป็นคนมีศีล น, นะใครว่าเราไม่มีศีลไม่ได้มันมีตัวตนที่เป็นผู้ที่มีศีลมีตัวตนที่เป็นผู้ที่ดี ถ้าใครว่าไม่ดีเนี่ยเราก็จะโกรธทันทีเลยแต่แล้วว่าอ๋อนี่มีศีล น, นะศีลมันช่วยทําให้ชีวิตเรามันดนะีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่พัทุสรายคนอื่นไม่สร้างเวรสร้างภายัยก็ทําไปแต่ในความที่คิดแบบนั้นเนี่ยให้เรารู้ทันว่าอ๋อนี่คือความคิดคือการกระทำํำแต่แต่ว่าธรรมดาอย่างนั้นโดยที่ไม่ยึดมั่นถึงมันว่าเป็นตัวเราการกระทําที่คิดแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อน ไม่เบียเบียนตัวเราเดือร้อนสมาจะเป็นการกระทําที่ปลอดภัยตัวตนเนี่ยจะลดลงมากเลยอย่างเช่นเวลาเรากราบการกราบดูเหมือนจะมีตัวตนกับการกราบแต่ว่าการกราบที่จริงนั้นเป็นการอ่อนน้อมการอ่อนน้อมยอมเนี่ยนะถ้าเป็นการลดละมรณาทิฏฐิตัวตนลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นธรรมะขั้นที่ว่ามีตัวตนหรือไม่ในอารมณ์แบบนั้นในความคิดแบบนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาถ้าแยกแยกถ้ามีตัวตนในการกระทําแล้วก็ มันจะหนักขึ้งจะมีความหวังมีความมุ่งหวังแล้วก็ยึดมั่นถือมัน่นการทําอะไรก็ตามทุกคนย่อมมีความหวังทุกคนต้องการประสบผลสําเร็จแต่รู้พพ should, ทนันว่าจิต <cas> มันคิดที่จะหวังแล้วก็ประสบผลสําเร็จพอรู้ว่าจิตคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความยึดมั่นถึงมั่นน้อยลงมากถ้าไม่ได้ยังใจหวังเลยอ๋อนี่คือธรรมดานะมันจะเริ่มมีสติปัญญาเข้าใจแยกเนียถ้าเราไม่มีสติเรายึดมั่นถึงมั่นต้องได <cond> <Blue> ้ยังใจหวังต้อง ไอ้คำว่าต้องนี่มันเป็นปัญหาที่บวกกับความยึดมั่นถึงมั่นแล้วก็เป็นตัวโมหะทุกก็จะตามมาเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้ย่งใจหวังเพราะบางคนก็ถามว่าไอ้ตรงนี้เราทําอะไรก็ตามมันก็เป็นตัวตนทั้งหมดสิถ้าเราขาดสติขาดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้ามีสติปัญญาเราก็ทําเพื่อที่จะทํำไปให้มันสําเร็จโดยหน้าที่และกรจกคนเป็นครูความเป็นครูเนี่ยมันอยู่ที่จิตวิญญาณ ครูมีหน้าที่อะไรอ๋อสั่งสอนลูกศิษย์มีเมตตาให้ความยุติธรรมสอนวิชาความรู้โดยที่ไม่ปิดบงังทําตามหน้าที่ดีที่สุดแต่อย่าไปยุติธรรว่าโอ้เราเป็นครูถ้ามีตัวเราเป็นครูขึ้นมาแล้วก็ถ้าเด็กไม่ดีที่เราคิดแล้วก็เราจะเป็นทุกข์เลยเพราะเราทําไม่ดีเด็กยิงไม่ดีอย่างนี้นะถ้าอาอ๋อเป็นหน้าที่นะก็สอนไปบางทีผลอาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดก็ได้อ๋อต้องเข้าใจ เราไม่มีตัวเราที่เป็นครูจริงๆหรอกเป็นเพียงแค่สมมุติเป็นหน้าที่ใครมาตำหนิว่าครูไม่ดีเราก็ไม่ใช่เป็นครูจริงๆในความไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับอาจจะเป็นความบวกพร่องเรา จ, จะรู้ท่าไปถึงการมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่จะไปเป็นสิ่งนั้นด้วยเพราะนั้นการปรุงแต่งที่เป็นตัวตนนี่แหละมันก็มาจากเรื่องความคิดที่ขาดสติมันเป็นธรรมะที่ฟังลาบากหน่อยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมัน ต้องมีตัวตนเสมอเสออยากจะใช้คำพูดที่ว่าเป็นวิธีคิดที่ห่างไกลจากชีวิตประจำวันของผู้คนมากๆเลยนะคะคเพราะว่าเราเนี่ยมักจะใช้ชีวิตอยู่กับความมีตัวตนแล้วก็ความปรุงแต่งความคิดตลอดเวลานั้นจะบอกว่าให้มาหยุดความคิดแล้วมันจะเป็นการหยุดสังสารวัตได้ก็ยังงงอยู่ว่าจะหยุดยังไงก็คนที่มีความทุกข์ จกนกระทั่งท่วมทนแล้วก็เราจะเข้าใจตรงนี้ะจะเบื่อหล่ายในทุกอไอความคิดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นะการปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์นะต้องเข้าใจในส่วนนี้ซะก่อนอยู่ในโลกจกนกระทั่งเอียนและทุกข์แลจึงคิดที่จะออกจากโลกเลยการเมียบมาปฏิบัติตามเรื่อมีสติปัญญาทําความเข้าใจแล้วก็มีสติปัญญาที่จะละวางตัวตนซะนั่นคนที่ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษ ต, ตรงนี้แล้วก็มันก็ทะเลาะกันเลยไปแล้ว อารยคัอย่างนี้จะได้ไหมคะว่าคนที่จะเข้าสู่วิถีของการหยุดความคิดเพื่อให้เป็นการหยุดสังสารวัตรได้นั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายทางโลกแล้วแล้วก็ไม่อยากได้ใครดีใครมีใครเป็นกับเรื่องราวทางโลกแล้วอยากจะสแสวงหาความสุขทางธรรมหรือว่าพัฒนาจิตพัฒนาใจในทางทางธรรมให้มากยิ่งขึ้น ถึงจะเข้าใจคําว่าหยุดความคิดคือหยุดสังสารวัตรแต่ถ้าตราบใดที่บุคคลยังอยู่ในทางโลกมีความทะยานอยากตามชีวิตแบบโลกโลกเนี่ยยากนักที่จะเข้าใจคําพูดนี้ได้ใช่ไหมคะครับเพราะว่าเราต้องเห็นทุกเห็นโทษของการปรุงแต่งว่าทําให้เราเกิดความทุกข์จริงๆทุกครั้งที่จิตมันโกรธจิตมันคิดปรุงแต่งไปทางความโกรธถ้าเราเข้าไปเป็นในความโกรธเข้าไปเป็นว่าเราเป็นผู้โกรธ แล้วเราก็เดือดร้อนตาแดงหูแดงมือสั่นหัวใจเต้นเร็วมีความเครียดจิตใจอ๋อนี่มันโกรธนี่เป็นทุกอย่างนี้เนาะมันเป็นนรกเห็นทุกขต้นความโกรธเราก็จะไม่อยากโกรธเพราะไม่อยากโกรธเราห้ามความโกรธไม่ได้แต่เราสามารถที่จะมีสติมีปัญญาเห็นความโกรธไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธเป็นผู้เห็นโอ้ถ้าเป็นผู้เห็นแล้วก็มันก็ไม่ได้ปรุงแต่งในความโกรธว่าเป็นตัวเราโกรธแหละ กลายเป็นผู้ดูเอ๊ะเป็นผู้ดูในความโกรธจิตมันสบายไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธมันก็ผ่านลงนี้ได้ อ, อความโกรธจะเป็นทุกข์นะเห็นทุกข์เองโทษของอารมณ์จึงไม่อยากเข้าอยู่ในความคิด <_ d ance> คิดทุกครั้งยึดมั่นทุกครั้ง <_ d ance> เป็นทุกทุกทีจนทั้ <_ d ance> ง, ทงอยากหนีอยากออ ก, อกตรงอยากออกอยากหุพ้นเนี่ยมันก็เป็นการปรุงแต่งที่จะอยากเป็นตัวตนที่จอยาก <_ d ance> จนทั้งทําความเข้าใจแล้วลองสังเกตดูเห็นบ่อยๆเห็นทุกข์เองโทษบ่อยๆเนี่ย เราก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับเกียวกัสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีความโกรธขึ้นมาอ๋อนี่มันโกรธแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอย่าถือว่าอันนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราอย่าเข้าไปเป็นกับอารมณ์เหล่านัน้นเป็นเพียงแค่ผู้ดูเราเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นกับมันอาจารย์กำลังจะบอกอย่างนี้หรือเปล่าคะว่าการที่ชีวิตของเราทุกวันเนี้ยังคงเป็นทุกข์หรือว่ามีความทุกข์แทรกแซงอยู่ในหัวใจอยู่เนี่ยเป็นเพราะเราปล่อยให้ ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราไม่ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราใช้สติมองพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดปรุงแต่งและความทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะเล่นงานเราได้ครับมีคำําหนึ่งที่เราพูดสรุปเลยว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทัน ในการปรรงงงแตต่ขอจิู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตคำนี้เราไม่ได้ห้ามปรุงแต่งนะ <c oughs> อาจจะคิดได้ปรุงแต่งได้แต่ว่าต้องมีสติรู้เท่าทันว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงอย่างไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมันขคับัญชาได้ไหมพอรู้เท่าทันเนี่ยเราจะได้ไม่เข้าไปเป็นไม่ได้เข้าไปยึด จิตเราจะสบายมากยิ่งขึ้นคำพูดนี้ดีมากคะ่ะรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนะคะเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เพราะว่าการห้ามความคิดเนี่ยขอบอกเลยว่าทำไม่ได้ออพยายามทำมาเยอะแล้วทำไม่ได้คะ่ะแต่ถ้ารู้เท่าทันความคิดแล้วเรานั่งดูมันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปโดยที่ไม่ออกอาการตามความคิดที่ลากจูงไปเนี่ยคิดว่าพอทาได้แล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่จะไม่ให้เจ้าความคิดปรุงแต่งลากจูงไปด้วย ว่าดีจริงๆครับท่านผู้ฟังพอฟังแล้วทําความเข้าใจถ้าสามารถที่จะรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางมันได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเรายังคิดขึ้นมาแล้วเรายังทําใจไม่ได้กับบางเรื่องแสดงว่าเรายังรู้ไม่ทันสอบไม่ผ่านแต่เรายังมีความยึดมั่นถึงมั น, นอารมณ์นั้นอยู่ก็คอยสังเกตรู้บ่อยๆกันน ะ, ะเป็นการฝึกให้เรากลับมาดูตัวเองให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษนะการปรุงเป็นตัวเราแต่ละครั้งเราก็เจ็บทุกที ปงทีายเจ็บทุกทีทุกทีายเราก็เจีบทุกทีจุ ก, กว่าจะเบื่อหลายแล้วก็อ๋ไม่เอาละไม่เอาละปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไ ป, รปเรามีหน้าที่ทำอะไรก็ทําไปสรุปว่าที่เรายังคงเป็นทุกอยู่ทุกวันเนี้เพราะว่าเราเนี่ยคิดผิดถ้าคิดเป็นก็จะเห็นธรรม